ตามปกติถ้าเป็นวันธรรมดาไม่ใช่เสาร์วอาทิตย์คนไม่มากก็จะให้ญาติโยมถวายเข้าวของก่อนพอบางคนตั้งใจจะมาถวายของก็อาจจะกลับจะได้ไม่ต้องรอแต่วันนี้คนมากที่ไม่เหมาะที่จะให้ถวายตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวไว้ถวายของตอนหลัง ญาติโยมที่เคยมาถวายของตอนนี้ก็ขอให้รอไว้ก่อนเพราะว่าทางนี้เขาไม่ได้เตรียมที่ไว้ให้อะไรรอให้ผู้ธรรมะเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยถวายก็แล้วกันทั้งวันธรรมดาปกติบนศาลาจะมีคนนั่งไม่กี่คนสองสามคนสี่ห้าคน ส่วนใหญ่จะนั่งข้างนอกกันก็เลยให้ถวายของก่อนถวายสเสร็จแล้วก็ค่อยพูดธรรมะแต่วันนี้บนศาลาก่อนมานั่งกันเต็มถ้าให้ถวายของก็ต้องขยับขยายกันก็เลยไม่สะดวกก็เลยนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมไปก่อน การฟังธรรมก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือจะมีความรู้ได้จะได้จะจบปริญญาก็ต้องเข้าห้องเรียนต้องเรียนต้องฟังเพราะสิ่งที่เราฟังนี่เราไม่รู้มาก่อนนั่นเองถ้าเรารู้เราก็ไม่ต้องมาเรียนให้เสียเวลาถ้าเราจบแล้วเราก็ไม่ไปเรียนหนังสือกัน เราก็เอาความรู้ที่เราได้เรียนไปทํางานไปห า, าไปหาเงินหาทองได้ความรู้ทางธรรมก็เหมือนกันความรู้ทางธรรมถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องมาเรียนเรียนเพื่อให้เรารู้พอเรารู้แล้วเราก็จะได้เอาคามรู้ทางธรรมนี้ไปหาเงินหาทอง ของจิตใจได้ก็คือหาบุญหากุศลซึ่งเป็นเหมือนเงินทองของจิตใจจิตใจต้องการบุญกุศลต้องการธรรมะเป็นที่พึ่งของใจจิตใจถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีธรรมะจิตใจจะยุ่งยากลําบาก มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจหนัก อ, อกหนักใจต้องมีธรรมะถึงจะทาให้เบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจมีความสุขไม่หิวโหยมีความอิ่มมีความพอ การศึกษาธรรมะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นขั้นที่หนึ่งต้องศึกษาเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับวิธีหาบุญหากุศนหาความสุขดับความทุกข์ให้กับใจถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะไม่รู้วิธีแทนที่เราจะดับความทุกข์กันเรากลับไป ผลิตความทุกข์กันเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราว่ามันจะกลับมาให้ความทุกข์กับเราในภายหลังสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี่มันจะกลับมาให้ความทุกข์กับเรา เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปมีการหมดไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่มีธรรมะจะมองไม่เห็นกันคนที่ไม่มีธรรมะจะเห็นว่าเป็นความสุขกันเห็นราบยศจัละเสริญ เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพนี้จะให้ความสุขกับใ จ, ใจิตใจแต่เป็นความสุขตอนต้นตอนที่ได้มาใหม่ๆทุกคนไม่ไม่มีใครปฏิเสธว่าการได้ลาบยศสรรเสริญการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพนั้นเป็นความสุข แต่มันเป็นความสุขที่จะหมดไปบางอย่างก็หมดไปเร็วบางอย่างก็หมดไปช้าหรือบางอย่างหมดไปโดยที่ยังไม่พร้อมที่จะให้หมดพอเวลาหมดหมดไปโดยที่เรายังไม่พร้อมที่จะให้มันหมดก็เราก็เกิดความเสียอกเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ส่วนที่หมดไปเพราะเราพร้อมให้มันหมดรู้ว่ามันจะต้องหมดเราก็ไม่ค่อยเสียหกเสียใจเท่าไหร่แต่มันก็ทำให้เราต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆเช่นความสุขที่เราได้จากการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสทางด้านบันเทิงทางด้านมหรศศทาง ด, าด้านการท่องเที่ยว เราได้เสพได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเสพแล้วก็มีความสุข <c oughs> พอเรากลับมาบ้านความสุขต่างๆที่เราได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็หมดไปแต่เราไม่ค่อยจะเสียใจกันเท่าไหร่พราะเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้ว่าไปเที่ยวก็สนุก กลับมาบ้านมันก็หมดไปแต่เรายังไม่ถึงกับทุกข์แมันจะทําให้เราต้องกลับไปหามันใหม่อยู่เรื่อยๆไปเที่ยวแล้วอะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าก็อยากจะไปเที่ยวใหม่แล้วพอได้เที่ยวก็ได้ความสุขใจ ไดซื้อของที่เราอยากจะซื้อก็มีความสุขใจได้ดูมหัศพ ไ, ได้ดูบันเทิงอะไรต่างๆก็ทำให้เราสุขใจแต่เราต้องคอยดูอยู่เรื่อยๆคอยเสพคอยสัมผัสอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่เราเกิดการชงงะงักขึ้นมาเกิดไม่สามารถไปเสพได้ เวลานั้นเราถึงจะรู้ว่าเราไม่มีความสุขเลยเรารู้สึกว่าอ้างว้างเปล่าเปียวเศร้าสร้อยหงอยเงาอันนี้นะมันเป็นผลที่เกิดจากการที่เราเค่อยไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆพอเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทำให้เราไม่สามารถไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นได้นะ เวลานั้นนะ่ะเราถึงจะรู้สึกตัวว่าเราเจอความทุกข์กันล้ะเราเจอความไม่สบายใจกันเจอความว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาหดหดลาคาญใจกันแต่เราไม่ไปพิจารณาว่ามันเกิดจากการที่เราไปติดอยู่กับการหาความสุขจากรูปเสียงเกล็่ น, น็อต่างๆนี้เองเราไม่รู้สาเหตุ เรามักจะไม่สนใจที่จะไปค้นหาสาเหตุเรามักจะหาวิธีแก้ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยการไปหารูปเสียงกลิ่นลสมาเสพใหม่ถ้าขาดเงินขาดทองไปไปเที่ยวไม่ได้ก็ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อจะได้เพื่อที่จะได้ไปเที่ยวต่อ ไปซื้อของที่อยากจะซื้อไปดูภาพยนตร์หรือไปดูบันเทิงอะไรต่างๆชีวิตของเราก็จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงจุดปลายของชีวิตเมื่อร่างกายเข้าสู่ความแก่ความชราเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บเริ่มไม่สามารถทำอะไรเหมือนตอนที่ร่างกายแข็งแรงได้ เวลานั้นความไม่สบายใจความเศร้าสร้อยงอแงความว้าเหวมันก็จะโผลขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นอันนี้แหละเป็นผลที่เกิดจากการที่เราไปหาสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถจะหาได้ตลอดเวลาจะต้องมีเวลาใดเวลาหนึง่งที่เราจะไม่สามารถหาความสุข จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัได้เวลานั้นจิตใจเราก็จะมีแต่ความไม่สบายใจหงุดหงิดํำคาญใจนี่แหละเป็นผลที่เกิดจากการที่เราไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นสุข แล้วเราก็ไปหามันไปอาศัยมันให้ความสุขกับเราแต่พอเราไม่สามารถหาความสุขจากมันได้เวลานั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ถ้าเรามาศึกษาธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผทธภะเหล่านี้มันเป็นทุกข์นะ เพราะว่ามันเป็นความสุขเดียเด๋ยววสุขชั่วคราวสุขที่ต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่สามารถหามาเติมได้ความสุขก็จะไม่เกิดความเสียใจความเศร้าใจก็จะตามมาแทนถ้าได้ยินได้ฟังแล้วพยายามหยุดหาความสุขดอก น, นี้ ด้วยการมาหาความสุขในรูปแบบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบนะมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่จะไม่มีความเศร้าความหงาความว้าเหวความหงุดหงิดความลาคาญใจตามมาก็คือการหาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบนี่เองถ้าเรา เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราลองพยายามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพยายามหาเวลามาทําจิตใจให้สงบนะการจะทําจิตใจให้สงบเราก็ต้องมีเวลาตอนนี้เวลาของเราเราใช้หมดไปกับการหาเงินหาทองเพื่อจะได้เอาเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆนะเราก็ต้องหยุดนะ หยุดหาเงินหาทองเพื่อเอาเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆวิธีที่จะหยุดก็ต้องอหยุดหยุดหาหยุดใช้เงินทองซื้อความสุขเกยไปเที่ยวก็ต้องหยุดเที่ยวเกิไปดูภาพยนตร์เ่อยไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆไปงานต่างๆงานสังสรรค์ งานวันเกิดของเพื่อนคนนั้นคนนี้งานครบรอบแต่งงานงานครบรอบอยามีไหมวันครบรอบอยาไม่มีนะไ <c oughs> มีได้วันครบรอบแต่งงานอ <c oughs> แอ่าเช่ที่ไหนมีงานที่นั่นเราพร้อมเสมอต <c oughs> <c oughs> อให้เชิญมาเท่านั้นแหละ <c oughs> <c oughs> เราต้องเลิกกิจงานเหล่านี้ พราะมันมีค่าใช้จ่ายเราต้องเสียเงินเสียทองอย่างน้อยก็ต้องซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่ไปงานค่ารถค่าอะไรแล้วไปงานก็ไม่ใช่ไปกินเขาฟรีๆก็ต้องซื้อของขวัญซื้ออะไรไปให้เขาอานั่นมีค่าใช้จ่ายเนี่ยในชีวิตของพวกเราที่เราทํางานกันเนี่ยหาเงินกันเนี่ยเงินส่วนใหญ่หมดไปกับงานสังคม ค่าใช้ใจ่ายทางงานสังคมไอ้เงินที่จาเป็นจะต้องใช้จริงๆนี้สำหรับร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบตามสัดส่วนแล้วก็เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่นี้จะหมดไปกับการหาความสุขต่างๆส่วนนี้ที่เราจะต้องหยุดเพราะถ้าเราหยุดได้นี้การที่จาเป็นจะต้องหาเงินทางนี้มันจะลดลงมาก เราก็จะทำให้เราไม่มีเวลาว่างขึ้นม า, เ, าเวลาว่างที่จะมาหาความสุขจากความสงบ อ, อย่างเรานี่พอเราได้ศึกษาธรรมะแล้วรู้แล้วว่ า, ามีความสุขอีกแบบหนึ่งจากการนั่งสมาธิจากการทำใจให้สงบจากการไปอยู่ตามลาพังอยู่ในจัตฐานที่สงบเราก็เลย เห็นว่าเรามีกําลังพอที่จะคือมีเงินพอที่จะหยุดทํางานได้ชั่วคราวยังไม่หยุดตลอดไม่ได้แตพอพอหยุดได้ประมาณหนึ่งปีก็เลยตั้งเป้าว่เห็นหน้าเราน่าจะหยุดทํางานสักปีนึงนะแล้วก็เงินที่เรามีเก็บไว้นี้ก็พอเอามาจ่ายค่าอาหารค่าใช้จ่ายที่เป็น ค่าใช้ใจ่ายหลักอย่างอื่นก็บ้านก็มีไม่ต้องเสียค่าเช่าก็มีแต่ค่าอาหารเป็นหลักก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องหยุดทำ ง, งานแล้วถ้าเราอยากจะมีเวลามาฝึกสมาธิมาทำจิตใจให้สงบก็เลยลาออกจากงานลาออกจากงานแล้วก็ เริ่มต้นอยู่เก็บตัวอยู่ที่บ้านเป็นหลักแต่บางทีก็ออกไปหามุมสงบตามสถานที่ต่างๆที่ไหนพอสงบก็ไปบ้างเพราะอยู่ในบ้านกิเลสมันก็ยังคอยกดดันให้มีความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายบางทีก็เลยต้องไปเปลี่ยนสถานที่บ้างเพื่อให้มันบรรเทาเพราะ กำลังของสติของสมาธิอย่างมีไม่มากพอที่จะต้านมันได้บางทีก็เลยต้องยอมมันคขังตัวเองในบ้านตลอดเวลาก็บางทีก็รู้สึกหดหู่รู้สึกอึดอัด อ, อย่างนั้นก็ลองออกไปเปลี่ยนที่หาที่สักแต่ก็ไม่ได้ไปทํากิจกรรมอย่างที่เคยทําก็เพียงแต่ไปหาที่ที่มุมสงบหน่อย อย่างน้อยมันได้ออกไปเปิดหูเปิดตาหน่อยระหว่างเดินทางจากบ้านไปที่สถานที่ที่เราต้องไปมันก็เลยบรรเทาอาการอึดอัดที่มีอยู่ภายในใจได้แล้วก็ไปหามุมสงบแถวนั้นสมัยก่อนแถวพัทยายังมีชายหาดที่ไม่มีคนไปพุกพานวันธรรมดานี้จะไม่มีคนเงียบ ไม่ใช่ไม่ใช่ชายชายหาดหลักนะแต่มีชายหาดที่ที่อยู่ตามซอกตามมุมต่างๆก็ไปหาสถานที่เหล่านั้นไปนั่งสมาธิอาบน้ำทะเลอาบแดดไปนั่งสมาธิไปอ่านหนังสือธรรมะไปพอเย็นก็กลับบ้านอันนี้เราต้องหาเวลาถ้าเราอยากจะ สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเราไม่มีเวลาแล้วเราปล่อยให้อ้างว่าไม่มีเวลาเราก็จะไม่มีวันที่เราจะมาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบได้เราก็จะอ้างว่าเราต้องหาเงินเราต้องทำงานเราต้องทำนู่นทำนี่คือมันจะเป็นอุปสรรค ถ้าเราไม่เห็นความสำคัญของความสงบของความสุขที่เกิดจากความสงบไม่เห็นโทษของการที่หาความสุขผ่านทางร่างกายว่ามันเป็นความสุขแบบสุก ส, สุขดิบๆแล้วในบ้านปลายของชีวิตมันจะเป็นความทุกข์เพราะร่างกายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาใกล้จะตายนี่มันจะไม่สามารถหาความสุขได้เลย อันนี้เราต้องเห็นโทษของวิถีชีวิตที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ว่ามันจะเป็นเหมือนระเบิดเวลาตอนนี้เราเพียงแต่ผ่อนผันมันไปถ้าเหมือนนักโทษก็อรอลงอาญายังไม่ถึงเวลารอติดคุกติดตารางเดี๋ยวพอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่มันก็เหมือนถึงเวลาที่จะต้องไปรับ รับโทษหรือบางทีไม่ทันแก่เกิดสิ้นเนื้อประดาตัวเกิดล <c oughs> ้มละลายเกิดอะไรขึ้นมาหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บอมมเพิกอมมาพาหรือเป็นอะไรขึ้นมาตอนนั้นก็เหมือนไปรับโทษนะตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงตอนที่เงินยังไหลไหลามาอย่างคล่องแคล่วว่องไว เวลานั้นก็ถือว่าเป็นเวลารอลงอาญาไปก่อนอปล่อยให้เที่ยวให้เล่นไปก่อนให้เพลิดเพลินให้มีความสุขไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดการหยุดชะงักของอสิ่งที่มาสนับสนุนการหาความสุขอตอนนั้นก็จะเป็นเหมือนเวลาที่เราจะไปรับโทษกันต้องอยู่ที่ บ้านไปข้างนอกไม่ได้เงินไม่พอไปไหนไปไม่ได้เพื่อนฝูงมาชวนก็อายเขาไม่อยากจะไปไปแล้วไม่มีเงนินร่วมไปกับเขาจะให้เขาจ่ายมันก็ขายหน้าเขาก็ต้องปฏิเสธไปนี่เป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับคนเราทุกคนไม่ในรูปแบบใดก็ในรูปแบบหนึง่ง น, นี่คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์กันต้องพิจารณากันเราถึงจะเห็นปัญหาหรือเห็นโทษของวิถีชีวิต ท, ที่เรากําลังทํากันอยู่ว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะจ้องเจอปัญหาเจอความยากลําบากคือเจอการที่จะเจอเหตุการณ์ที่จะทําให้เรานี้ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้นะครับ ถ้าเห็นโทษแล้วเราจะได้พยายามหาวิธีดึงตัวเราออกจากวงจรอุบา น, นีวงจรหาเงินใช้เงินนี่หามาท่าไหลายใช้ไปท่าไหลายความสุขที่ได้หายไปหมดเหมือนควันไฟไะเงินทองที่เราใช้มาตั้งแต่เราโตขึ้นมานี่จนบัดนี้ความสุขที่เราได้จากการใช้เงินทองมันหายไปไหนหมดนะ มันมาอยู่ในใจเราหรือไม่ให้ความสุขกับเราโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินทองต่อไปได้หรือไม่ไม่ได้มันเป็นความสุขชั่วชั่วขณะที่เราใช้เงินทองพอเงินทองหมดความสุขก็หมดนอสมัยก่อนรัฐบาลปฏิวัติเขามีสโลแกนว่าเงินคืองานงานคือเงินบันดาลสุขไม่ทราบว่าใครจําคํานี้ได้ป่ะ คนต้องอายุหกสิบขึ้นไปถึงจะจำได้ถ้ายังไม่ถึงหกสิบคงไม่เคยได้ยินเคยเลยงานคืองานงานคือเงินบรรดาลสุขใช่ไหมทุกคนต้องทำงานต้องหาเงินเพื่อจะได้เอาเงินมาซื้อความสุขต่างๆความสุขก็มีสองแบบความสุขที่จำเป็นความสุขพื้นฐาน คือความสุขเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขไม่อดอยากขาดแคลนไม่ทุกข์ยากลาบากทางร่างกายอันนี้ทุกคนต้องมีต้องมีด้วยกันทุกคนแต่ความสุขที่เกิดจากเขาเรียกความสุขโบนัสเนี่ยความสุขส่วนเกินที่ไม่จำเป็นก็ไม่ตายถ้าไม่มีก็ไม่ตายแต่มันจะทาให้อึ ด, ดใจ มุดหิดใจลำคาญใจคือความสุขจากการเสพรูปเสียงกล็ดลดผลถภาเนี้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราติดกันเหมือนคนติดยาเสพติดรูปเสียงกล็ดลดผลถภาเนี่ก็เป็นยาเสพติดในรูปแบบต่างๆเพียงแต่ว่าเมื่อทุกคนเสพเราก็ไปเรียกว่ามันเป็นยาเสพติดเราเอาแต่เรื่องที่คนทุกคนไม่ได้เสพเป็นเรียกว่าเป็นยาเสพติดน เช่นยาผิ่นกัญชานี่เราก็เรียกว่าเป็นยาเสพติดแต่สุรายาเมากาแฟนี่เราก็ไม่ไปเรียกว่ายาเสพติดแต่มันก็เป็นสิ่งเสพติดเหมือนกันเพราะมันเสพแล้วมันติดใช่ไ้ยมีใครไม่ติดบ้างมีใครไม่ติดน้่งลองเสพกาแฟดูเสพแล้วก็ไม่เสพเลิกเสพได้เปล่าเสพภาพยนตร์เสพละคร เสพท่องเที่ยวเสพช้อปปิ้งเนี่ยอันนี้ก็เสพทั้งนั้นแหละเพียงแต่เมื่อทุกคนทํามันก็เลยไม่รู้จะไปเรียกว่ายาเสพติดมันก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นพวกเสพติดกันทั้งหมดมีพระเท่านั้นน่ะที่จะพูดได้ว่าเนี่ยพวกนี้เป็นยาเสพติดเพราะพระไม่เสพนะพระไม่เสพไม่ติดกับอไม่เสพท่องเที่ยวไม่เสพภาพยนตร์ไม่เสพบันเทิงอะไรต่างๆไม่เสพ ชอปิ้งอันนี้เป็นสิ่งที่เราติดกันมันจึงยากในการที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะว่ามันติดพอมันไม่ได้เสพแล้วมันเกิดอาการหงุดหงิดใจสัน่นมือไม้สัน่นหรือเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเว่ขึ้นมาแต่เราต้องใช้ ใช้ปัญญาใช้เหตุผลว่านี่มันเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเห็นไหมเวลาที่เขาเลิกได้นี่เขาสบายไหมคนที่ไม่เสพยาเสพติดอย่างพวกเรานี้สบายไหมไม่ต้องไปหากัญชายาฝิ่นไม่ต้องหายาบ้ายาอะไรมาเสพเสพแล้วก็ทำให้เสียงานเสียการเสียคนว่าเมื่อเสพพวกนี้แล้วมันทำให้เราไม่มีความอยากที่จะไป ทำหน้าที่การงานอยากจะเสพพวกนี้ไปเสพไปมากๆก็มีผลต่อร่างกายทำให้ร่างกายนี้ตายไปก่อนไวัยได้นี่เราต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผลพิจารณาว่าการที่เรามาเสพลาบรา บ, ราบยศจรลเสริญมาเสพรูปเสียงกิด ล, ลดผลทพะนี่ มันก็ดีในช่วงที่เราเสพได้เท่านั้นเองพอช่วงที่เราไม่ได้เสพช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่เราจะเป็นเหมือนคนที่ติดยาแล้วไม่ได้เสพยาเสพติดจะทุกข์ทรมานใจให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้เห็นโทษของการที่เรากำลังกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพื่อที่เราจะได้มีความกล้าหาญ ที่จะตัดสินใจเลิกมันแล้วก็มาเปลี่ยนเอาวิธีหาความสุขแบบใหม่มาฝึกสมาธิมาฝึกสติมาควบคุมความคิดมาหยุดความอยากทำใจให้สงบถ้าเราทำได้นี่เราก็จะสบายต่อไป เพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ราบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไม่ต้องใช้ตาหูจมูกร่้นกายสิ่งเหล่านี้มันจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ต้องอาศัยมันแล้วสิ่งสิ่งที่เราต้องมีก็คือสติเป็นเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็มีตัวปัญญาเป็นตัวที่จะมาทำให้ความ สุกนี้ถาหวรสตินี่เป็นตัวที่เริ่มสร้างความสงบให้การจัดสงบนี้ต้องอาศัยสติเพราะสตินี่ง่ายกว่าปัญญาปัญญานี่ยากต้องมีสติก่อน ถ, ถึงจะมีปัญญาตามมาถ้าไม่มีสตินี่จะคิดไปในทางปัญญาไม่ได้เพราะว่าใจนี่อยู่ภายใต้ความ ครอบงำของอวิชชาของความโง่ของความหลงอวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชาจะเป็นตัวสั่งให้สังขารคิดปรุงแต่งไปในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางราบยศสรรเสริญจะไม่ได้แค่คิดไปในทางให้ระงับความอยากให้ระงับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จึงใช้ปัญญาไม่ได้ในเบื้องต้นนี้ต้องใช้สติก่อนอก็นอกจากบว่าเป็นกรณีพิเศษสําหรับคนบางคนที่คิดในทางปัญญาได้อันนี้ก็บางทีก็สามารถระงับความอยากระงับความคิดได้ด้วยปัญญาะทําจิตให้สงบได้ที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ก็ไม่ใช่จะทําได้กันเป็นส่วนใหญ่ คนที่มีระดับปัญญาระดับนั้นก็ต้องถือว่าเป็นระดับอัจฉริยะคนที่จะใช้ปัญญาอบรมสมาธิได้อันนี้ก็จึงต้องมาสร้างสติกันสร้างปัญญากันสติปัญญานี้เป็นนามนธรรมไม่ใช่เป็นรู ป, ปรธรรมเหมือนกับลาบยศสรรเสริญเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรส มันมีอยู่ในใจของเราใจของเรานี่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันตายสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาภายในใจมันก็จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดถ้าเราถ้าเราไม่หยุดสร้างถ้าเราไม่หยุดรักษาเราจะสามารถสร้างและรักษาสติปัญญาให้มารักษาใจให้อยู่ในความสงบได้ตลอดเวลา แต่เราต้องมีเวลามาสร้างเนี่ยปัญหาของพวกเราอยู่ตรงนี้เท่าที่สังเกตดนะูที่มาศึกษากันสิบกว่าปีแล้วนี่ไม่มีเวลาไม่เอาเวลามาสร้างกันยังเอาเวลาไปทำกิจกรรมตามที่เคยทำอยู่มาได้ก็เพียงเดือนละหนึ่งครั้งที่เอาเวลามาสร้างปัญญาแต่ก็ยังเป็นปัญญาขั้นอนุบาลปัญญาที่เรียกว่าสุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญานี้ยังไม่สามารถเอาไปสู้กับกิเลสได้แต่ก็เป็นปัญญาที่จำเป็นเหมือนกับเมล็ดข้าวก่อนจะปลูกต้นข้าวได้ก็ต้องหว่านเมล็ดก่อนหว่านเมล็ดลงดินเมื่อเมล็ดลงดินแล้วเดี๋ยวพอได้น้ำได้ปุ๋ยต้นข้าวก็จะงอกขึ้นมาต่อไปก็จะเจริญเติบโตออกออกรวงขึ้นมาได้ ก็ต้องอาศัยมเม็ดข้าวเม็ดเล็กๆ เ, เ, เหล่านี้มาเป็นตัวสร้างต้นข้าวสร้างรวงข้าวขึ้นมาฉันไดปัญญาที่เกิดจากการฟังนี้ก็เหมือนกันต้องอาศัยการเรียนรู้ก่อนรู้วิธีสร้างความสงบว่าสร้างอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็จะได้เอาไปปฏิบัติต่อได้เห็นบางตอนนี้ต้องต้องมาเรียนก่อน การเรียนการฟังเทศฟังธรรมก็สําคัญสําคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างความสงบให้แก่ใจต้องรู้จักวิธีสร้างความสงบเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอาไปทบทวนอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมส่วนใหญ่มักจะไปไม่ถึงขั้นที่สองที่เรียกว่าขั้นจินตามยปัญญาคือได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่ยากไปทําการบ้าน ครูบอกให้เอากลับไปทำการบ้านต่อให้ไปคิดอยู่เรื่อยๆว่าวิธีสร้างความสงบนี้สร้างอย่างไรพอออกจากห้องเรียนไปก็ลืมไปหมดกลับไปทำรูปแบบเดิมกลับไปทำหาความสุขในรูปแบบเดิมเ<ม>พราะไม่ไม่เอาไปทำการบ้านจินตามยะปัญญานี่เหมือนกับเป็นการทำการบ้านเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ลืม ให้ทบทวนอยู่เรื่อยๆทำที่เราได้ยินได้ฟังว่าเราต้องทำอะไรกันเราต้องละลาบยศฉลเสริญเราต้องละลูปเสียง ก, ก, กลิ่นรสผลพธพะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาอันนี้เรายังไม่เอามาคิดกันเราก็เลยไม่มีการ คืบหน้าในด้านทางปฏิบัตินะได้แต่ยินได้แต่ย่ายินได้ฟังแล้วก็จบเดี๋ยวหน้าก็มาฟังใหม่ฟังกี่ครั้งเดี๋ยวก็ออกไปวันสองวันก็บางทีไม่ถึงวันสองวันชั่วโมงสองชั่วโมงหายไปหมดแล้วเพราะมีกิจกรรมอย่างอื่นรออยู่ยาวเหยียดไปไหนต่อไปทำอะไรต่อ ไปกินที่ไหนต่อไปดูอะไรต่อไม่มีเวลาที่จะมาทบทวนธรรมะที่ได้มาได้ยินได้ฟังพอต้องไปทําข้อสอบก็เลยทําไม่ได้พอต้องให้ไปปฏิบัติก็ไปปฏิบัติไม่ได้ก็เลยไปไม่ถึงปัญญาข้อที่สองและข้อที่สามข้อที่สองถ้าเรามาทบทวนอยู่เรื่อย เราก็จะรู้ว่าเราต้องมีภารกิจที่เราต้องทำแล้วมีการบ้านที่เราต้องทําเราต้องหาเวลามาฝึกสมาธิแล้วย่างน้อยก็ต้องหาเท่าที่เราหาได้ก่อนถ้าเรายังไม่สามารถหาได้เต็มรูปแบบแบบลาออกจากงานเลยเราก็ต้องเอาละเวลาไหนที่เราดึงมาได้ต้องดึงมาละ เวลาของละครก็ต้องดึงมาละเวลาของคุยกับเพื่อนฝูงก็ต้องดึงมาละเวลาเล่นรลน์ติดต่อกับใครก็ต้องดึงมาละเอาเวลามาฝึกสมาธิกันดีกว่าเราต้องเริ่มทำการบ้านก่อนเพราะถ้าเราไม่ทาการบ้านนี้มันจะไม่เห็นผลแต่ถ้าเราได้ทาการบ้านเราก็จะได้สัมผัสกับผลแม้จะเล็กๆน้อยๆ แต่มันก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจเพิ่มมากขึ้นจะทำให้เรายินดีที่อยากจะทำให้มากขึ้นในการปฏิบัติเนี่ยจากน้อยไปหามากพอปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำให้เราปฏิบัติได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเราก็จะสามารถออกไปปฏิบัติเต็มรูปแบบได้ไปฝึกสมาธิก่อน แล้วก็ไปสร้างปัญญาระดับที่สามปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยาปัญญาเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนพอรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้หยุดมันได้หยุดความอยากได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิสนับสนุนความรู้ถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็หยุดความอยากไม่ได้ยังอยากเล่นกับไฟอยู่ถึงแม้รู้ว่าเป็นไฟมันร้อนแต่ตอนนี้ยังไม่ถูกมันเผาก็ยังยังเก่งอยู่ยังจะต้ อ, องไปให้มันเผาก่อนถึงยังร้องห่มร้องไห้กันแต่ร้องกี่หนถูกเผากี่หนก็ไม่เข็ดเดี๋ยวก็ลืมเอเดี๋ยวว่ากลับไปเล่นกับไฟใหม่กลับไปเล่นกับอานิจังทุกขังอนัตตาใหม่นี่คือปัญหา ถึงแม้จะมีปัญญาระดับจินตาเมย์ยปัญญารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าไม่มีสมถะ ภ, ภาวนาไม่มีสมาธิใจมันหิวใจมันจะทนกับความหิวไม่ได้แล้วมันจะลืมว่ามันกำลังจะไปเล่นกับไฟมันกลับไปคิดว่าเป็นไฟเย็นตอนนี้ไฟยังไม่ลุกเดี๋ยวเราพอมันจะลุกเราหนีมันได้ แต่มันหนีไม่ทันแล้วเพราะมันไม่บอกเรามันจะลุกขึ้นมาเมื่อไหร่พอมันลุกขึ้นมาก็ถูกมันเผาทันทีนี่คือกระบวนการของปัญญาสามระดับกระบวนการแรกต้องมาศึกษาวิธีสร้างความสงบศึกษาปัญญาอะไรคือปัญญาก็คือการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นตายรักนั่นเองเห็นนั่นที่เห็นทุกอย่างเป็นนิจจังทุกขังอนัตตา <า>เห็นทุกอย่างไม่น่าดูไม่น่าชมไม่น่าอยากได้มาเป็นของเรามันเป็นของปลอมของหลอกเขาแต่งขึ้นมาให้ดูแล้วสวยน่าดูน่าชมเอแต่ถ้าถึงเวลาเดี๋ยวมันก็พังมันก็เสียแล้วมันก็ไม่น่าดูของต่างๆกลายเป็นขยะหมดใช่ไหมไปดูกองขยะเนะี่ยมาจากร้านเทสโก้โลตัสทั้งนั้นที่เราไปแย่งกันซื้อเสียเงินกันซื้อ แล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นเศษขยะเป็นกองขยะถ้าเป็นคนก็เป็นซากศพกองหยู่เนเต็มไปหมดไม่มีอะไรเป็นของที่น่าดูน่าชมจริงๆน่าดูน่าชมชั่วคราวช่วงที่ได้มาใหม่ๆช่วงที่เขาขายนี่โอ้ยน่าดูพอช่วงที่เราใช้ไปแล้วเสียแล้วพังแล้วก็โยนทิ้งกันไปหมดแล้วก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆ นี่คือปัญญาคือเราต้องมาศึกษาว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสีนในรูปแบบต่างๆสิ่งต่างๆที่เราเห็นด้วยตาสัมผัส ด, ด้วยหูเนี่ยหรือแตะต้องด้วยมือด้วยอะไรเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นตอนนี้มาจะนหน้าดูหน้าชมหน้าอยากได้ แล้วสักพักมันก็จะกลายเป็นของที่ไม่น่ายึดไม่น่าดูไม่น่าชมไปคิดอย่างนี้แล้วมันจะได้เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งต่างๆเบื่อหน่ายแต่การที่จะต้องคอยหามาเปลี่ยนอยู่เรื่อยได้อันนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปเปลี่ยนอันใหม่อันนี้หมดแล้วหมดสภาพหมดสมรรถภาพแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่อันนี้คือปัญญาให้เห็นอ น, นิจจัง ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆทุกอย่างมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการดับไปอย่างพระอัญญาณกนัญญะท่านมีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นน้นนี้จังสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะอยู่ไปตลอดไม่ช้าก็เร็วท่านต่างๆกันที่มันช้าหรือเร็วนั่นเอง แม้แต่โลกที่เราอยู่นี่สักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมหมดไปอาจจะระเบิดเป็นเสียงไปกระจายไปในอวกาศก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะมันมันเป็นสิ่งที่ไกลสําหรับเราแล้วมันเอใหญ่โตกว่าที่เราจะไปนึกถึงมันได้แต่ถ้าเราเชื่อโดยหลักของอ น, นิจจังแล้วเราต้องเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องมีจุดจบ จะต้องมีวันสิ้นสุดลงพอเจอวันนั้นเจอวันที่โลกแตกนี่ตายกันหมดทั้งโลกนะจะออร้องยังไงจะขอใครมาช่วยเหลือก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือกันได้เพราะทุกคนนี้ก็จะต้องแตกไปกับโลกนี่คือเรื่องของอนิจจ์เรื่องของปัญญาต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อย ว่าความสุขของพวกเราในตอนนี้มันตั้งอยู่บนฐานที่ไม่มั่นคงตั้งอยู่ในบนฐานที่เอ่อกิ้งไปกิ้งมาถ้าเราเรายืนอยู่บ น, พ, นพื้นที่กิ้งไปกิ้งมาเดี๋ยวก็ล้มเท่านั้นอ่ะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันความสุขที่พวกเราหากันอยู่นี้มันกิ้งไปกิ้งมาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปพอไปเราก็ต้องกิ้งไปหามันพอกิ้งไปหามันเดี๋ยวมันก็กิ้งหนีเราอีก กินกันไปกินกันมาอยู่อย่างนี้วุ่นวายกันไปแทบทุกวันให้เห็นว่านี่แหละเป็นอนิจจังโลกความสุขที่เราหากันนี่มันเป็นอนิจจังเราจะได้เบื่อมันจะได้อยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบที่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ขึ้นไม่ลงคือการหาความสงบภายในใจเรานี่แหละอันนี้เป็นความรู้ที่เราจะได้เรียนรู้ เวลาที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันเมื่อเรารู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนำเอาไปทบทวนคอยเตือนใจเราอยู่ได้เรื่อยว่า เ, เราอยู่บนโลกที่ไม่แน่นอนนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่วันดีคืนดีมันจะมีการพัดพากจากกันเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะพอเกิดขึ้นมาแล้วนี่ไม่มีใครช่วยเราได้นะ สิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือความสงบนะความสงบนี้เปรียบเหมือนกับล่มชูชีพเนี่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเวลาตกเนี่ยถ้าเรามีร่มชูชีพเราก็จะปลอดภยัยไม่ต้องตกกับเครื่องเช่นเครื่องบินของทาหารนี่ก็จะมีร่มชูชีพให้ใส่กันนักบินเกิดเวล า, เ, าเครื่องบินเกิดเหตุขัดข้องเขาก็ดีดตัวออกแล้วก็ใช้ล่มชูชีพเอ ด่อนลงมาได้อย่างปลอดภัยตอนนี้พวกเราไม่มีลมชูชีพกันถ้าถ้าเกิดอะไรเหตุขัดข้องขึ้นมาทางลาบยศจนละเสริญทางร่างกายนี้เราก็ต้องเจอแต่ความทุกข์กันเพียงอย่างเดียวเพราะเราไม่เอาเราไม่เอาลมชูชีพมาใส่ไม่เตรียมตัวเตรียมหาร่มชูชีพไว้สำรองความสงบนี่แหละเป็นเหมือนลมชูชีพ ที่จะสำรองที่จะช่วยเราเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเวลาที่เร า, เ, าเกิดการขาดแคนทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ยังสามารถหาความสุขจากความสงบได้ต้องคิดอย่างนี้นะเร า, เาถึงจะได้ มีเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นภายในใจของเราพอเราสร้างสร้างเป็นแล้วทีนี้เราก็สบายแล้วมาสร้างความสงบมาอยู่กับความสงบดีกว่าพอเราได้ผลนั้นที่เราก็จะมีกําลังที่จะตัดที่จะเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราเคยหามาเราก็จะมา เพิ่มเวลาให้กับการหาความสงบเอาเวลาที่เราเคยเอาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเอามาสร้างความสงบกันดีกว่ามาเปลีกวิเวกมาอยูอ่ปฏิบัติธรรมเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคิดให้เราได้เราต้องเป็นผู้คิดและเป็นผู้วางแผน และเป็นผู้ตัดสินใหญ่ถ้าเราไม่เริ่มวางแผนไม่คิดมันก็จะติดอยู่ที่เดินมนั่นแหละเพราะว่ามันของพวกนี้มันต้องวางแผนเช่นเหมือนเดินทางไปต่างประเทศนี่ถ้าไม่วางแผนมันก็ไปไม่ได้อววงแผนว่าจะไปวันที่นั้นวันที่นี้ก็ต้องเตรียมซื้อตั๋วแล้วเตรียมวีซา่าเตรียมพา ส, สปอร์ตเตรียมฉีดยงฉีดยา เตรียมจองที่พักอะไรต่างๆเตรียมแรลกเงินต้องเปลี่ยนเงินละเงินที่เรามีอยู่นี่เราต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่คิดเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะไปไม่ได้เราก็จะติดอยู่กับที่ที่เราอยู่นี่เราก็จะทำสิ่งที่เราเคยทำไปแต่ถ้าเราต้องการที่จะสับรางของชีวิตนี่เราต้องวางแผนนะต้องคิดว่าเราจะต้องทาอย่างไรบ้าง จุดแรกต้องทำอะไรจุดที่สองต้องทำอะไรขั้นที่สามทำอะไรมันต้องมีเป้าหมายมีขั้นตอนมันถึงจะเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เรากำลังดำเนินกันอยู่ได้ yeah. เพราะฉะนั้นขั้นต้นเราก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง พอเรารู้แล้วทีนี้เราก็ต้องลองไปทำดูพอได้ทำแล้วมันได้สัมผัสกับผลถึงแม้จะไม่มากมันก็จะเห็นคุณค่ามันต้องได้ผลแต่ถ้านั่งจริงๆทุกคนมันจะมาจะไม่ได้ผลถ้านั่งแล้วก็คอยบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เรา ใจปลูกใจไว้นั่งก็ให้นั่งดูลมไปแล้วนั่งพุโทโธไปพุโทโธไปกันนี่มันต้องได้ผลเน่ว่ามันไม่ใช่เป็นของยากเย็นตรงไห น, นว่าคำว่าพุโทโธนี่มันจะยากตรงไห น, นเด็กก็ไก่ยังว่าได้เลยมีเด็กคนหนึ่งเดี๋ยวนี่พูดภาษาอังกฤษยังได้อายุยัยงเพิ่งเข้าอนุบาลหนึ่งเนี่ยมันร้องโ oh อ My ม o d ๊ได้เย มันตะเร่ลึงะ่ะวันนั้นพอดีมันจะใส่บาทแต่มันปวดฉี่ก่อนมันแล้วก็ฉี่ตรงนั้ น, นอ่ะให้พระยืนรอมันฉี่ทาก่อนล้างโอ้ my god โอ้ my god <laughs> <laughs> แล้วก็หวัวละคักๆนั้นเด็กมันไม่อายมันไม่รู้เบียงสามันไม่คิดอะไรน ะ, <laughs> <laughs> ะเด็กมันยังร้องโอ้ my god ได้ทดําไมผู้ใหญ่จะพูดพูดโธคําเดียวไม่ได้ พุโทโธพุโทโธนั่งแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไป5้านาทีสิบนาทีถ้าไม่เห็นความรู้สึกที่แตกต่างก็เลิกทำได้มันนั่งแล้วมันจะต้องได้นะได้มากได้น้อยใจมันจะรู้สึกเบาขึ้นสบายขึ้นถึงแม้นยังไม่รวมก็ยังรู้สึกว่าอ๋อเมื่อกี้คิดวุ่นวายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอเรามาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็เสกเอ่อเรื่องวุ่นวายใจต่างๆมันก็ค่อยหายไปอยู่ไกลออกไป อ, อันนี้ต้องลองทําดูต้องพยายามทํากันถ้าทําแล้วมันจะเหมือนกับดูหนังตัวอย่างพอดูหนังตัวอย่างแล้วก็อยากจะดูหนังจริงเอเอนี้น่าดูนี่ยว่าพอได้ดูหนังตัวอย่างถ้าไม่ได้ดูดูแต่ ดูแต่ชื่อหนังไม่รู้ว่าหนังนี้เป็นอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างพอได้ดูหนังตัวอย่างแล้วจะได้รู้ออมันสนุกอย่างนี้เองนะมีดาราคนนั้นคนนี้เล่นก็เราอยากจะไปดูหนังจริงนะพอหนังจริงเข้าโรงก็ไปตีตั๋วกันอันนี้เราต้องพยายามดูหนังตัวอย่างกันก่อนเอาสัมเปิลก่อนเอาความสงบสัมเปิลความสงบก่อน อยายามฝึกนั่งสมาธิการฝึกสติกันนะฮะคอยควบคุมใจช่วงที่เราควบคุมได้ช่วงที่เราเตรียมตัวไปทางานนี่เราสามารถฝึกสติได้พุทธโธพุทธโธได้ลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธไปเลยลุกขึ้นมาก็พุทธโธเดินไปทากิจก็พุทธโธล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทธโธพุทธโธไป ถ้าดีก่อนจะถ้ามีเวลาก่อนจะทำงานก็นั่งสมาธิสักสิบห้านาทีก่อนก็ยังได้ เ, เราสักสิบห้านาทีก่อนก่อนจะไปทำงานาพุโทโธพุโทโธไปก่อนสักสิบห้านาทีจะได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่เป็นไรขอให้ได้ทำก่อนอขอให้ได้ทาก่อนพอได้ทำแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดผลตามมาถ้าไม่เริ่มเลยไม่ทำเลยมันก็จะไม่มีวันเริ่มเสียทอีอย่างที่เราเริ่มก็เหมือนกันนะ เราก็ไม่เคยวางแผนว่าจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิธีนั่งสมาธิมาประมาณสองเดือนแต่ยังไม่เคยนั่งสักครั้งเลยแล้วอยู่ดีๆมันก็เกิดความคิดขึ้นมาอแล้วเมื่อไหร่มันจะนั่งสักทีละก็นั่งเดี๋ยวนี้หรอวะไม่มีอะไรต้องทำเนี่ยวะก็เลยนั่งตั้งแต่บัดนั้นเลยพอเริ่มนั่งแล้วทีมันก็ไปแล้วถ้าไม่เริ่มนั่งเมื่อไหร่มันก็ยังไม่ไปนั้นน่ะนั่นเราต้องบังคับนั่งให้ได้ บ, บังคับพุโทโธให้ได้ช่วงที่เราไม่ต้องไปทางานหรือช่วงที่เรากาลังเตรียมตัวไปทำงานเราไม่ต้องคิดเรื่องต่างๆปล่อยให้มันไปคิดทำไมล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วดูเฝ้าดูการทำงานของร่างกายไปร่างกายกำแปลงฟันก็แปลงกับมันอย่าไปที่อื่นอย่าปล่อยให้ร่างกายแปลงแล้วเราก็ไปที่ทำงานนะเลยไปคิดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้น ให้มันอยู่ในปัจจุบันนะอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตอย่าไปที่ใกล้ที่ไกลให้อยู่ที่ร่างกายเรียกว่ากายยกตาสติมีร่างกายเป็นที่ตั้งของสติหรือถ้าไม่ไม่ดูร่างกายก็ใช้บริกรรมพุทโธพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติพอพอก่อนจะไปทํางานมีเวลาสักสิบห้านาทีก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกก่อน อาณาปณะสติตั้งสติแล้วรับรองได้วันนั้นใจจะเย็นใ จ, จสบายไปทำงานทำการหรือก่อนจะออกจากหลังจากออกสมาธิมาก็ให้ระลึกถึงปัญญาสักข้อหนึ่งก็ที่พระเจ้าสอนให้ระลึกทุกวันก็คือเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ มีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้คิดอย่างนี้แล้ววันนั้นชีวิตเราจะมีอาวุธมีเกราะคุ้มครองพอไปทางานนี้ใจพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจะตายไม่ว่าจะเจอของดีไม่ดีไม่ว่าจะเสียของที่เรารักไปหรือไม่มีปัญญา ไป ส, สอนใจให้เราเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์เหล่านี้พอเราเตรียมตัวแล้วพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราก็จะไม่เสียหลักเราก็บอกว่ากูรู้อยู่แล้วมันต้องเกิดขึ้นจะไม่ถามว่าทําไมจะไม่ต้องมาโวยวายโทษคนนั้นโทษคนนี้รู้ว่านี่แหละคือทางเดินของเราชีวิตของเรามันจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้กันทุกคน นี่คือกิ จ, จวัตรก่อนจะไปทำงานลองทาดูเนี่ยองเอาไปทำการบ้านดูพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วเฝ้าดูว่าร่างกายตอนนี้กำลังอยู่ในเอรียบทไหนกำลังนอนกำลังลุกขึ้นมากำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินก็เอาสติอยู่กับร่างกาย กำลังอาบน้ำกำลังล้างหน้ากำลังแปรงฟันกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันอยู่กับร่างกายไปอย่าให้มันไปที่อื่นหรือแม่เช่นนั้นก็ใช้พุโทโธพุโทโธกำกลับไปทำอย่างนี้แล้วพอเสร็จก็นั่งสมาธิรักสิบห้านาทียี่สิบนาทีต้องตื่นเช้าหน่อยต้องเผื่อเวลาต้องต้องตั้งนาฬิกาปลุกให้มันเร็วขึ้นหน่อยนอนให้มันเร็วขึ้นหน่อย ตัดละครสักเรื่องหนึ่งก็นอนหัวค่ําได้แล้วนะจะได้ตื่นเช้าจะได้มีเวลาฝึกสติฝึกสมาธิและฝึกปัญญาถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ได้พอสมควรช่วงก่อนจะออกทํางานนี่เราฝึกได้ทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาอพอนั่งสมาธิเสร็จออกมาก็พิจารณาปัญญาอารนิจังเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผ้าจากกัน ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ปาถนาณาคิดอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะพร้อมไปทํางานนะถ้ายังไม่ถึงที่ทํางานก็รักษาสติต่อไปถ้าขับรถกล้มีสติอยู่วการขับรถอย่าไปคิดถึงเรื่องงานยังไม่ถึงที่ทํางานคิดตอนนี้ก็ไม่จ่ายเงินให้เราอย่าไปคิดไปคิดตอนที่เราถึงบริษัทนะตอนนั้นค่อยคิดให้กับบริษัท ตอนที่เรายังไม่ไปเราให้คิดอยู่กับคิดให้กับตัวเราดีกว่าคิดให้เราหยุดคิดนะเดี่ยวให้เราคิดว่าเนี่ยชีวิตก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวทําไปสักวันก็ต้องต้องออกจากงานอยู่ดีเดี๋ยวแก่แล้วเขาก็ไม่เอาเราแล้วอายุหกสิบเขาก็บอกบายๆให้คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วมันจะได้ทําให้เราเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เรากําลังเดินกันอยู่ในขณะนี้ ว่ามันเดินไปสู่ความทุกข์กันมันไม่ได้เดินไปสู่ความสุขกันเราคิดถึงอาจารย์ครูบาอาจารย์พระทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านกำลังอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขเราน่าจะไปร่วมกับท่านเราต้องพยายามผันแปรชีวิตของเราจากการที่จะต้องคอยมาดิ้นหลนวุ่นวายกับการหาความสุขทางตาหูจมูกนกิ้วกาย ให้เราออกไปหาความสงบกันดีกว่าถ้าเราทำงี้เราก็จะได้ลดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็อาจจะสามารถที่จะหยุดทำงานได้ถ้าเราวางแผนดีๆเงินที่เราหามานี่อาจจะเก็บไว้ใช้สนับสนุนในการปฏิบัติของเราได้อันนี้มันต้องมีการคิดมีการวางแผน ต้องรู้เป้าหมายของชีวิตของเราว่าเราจะเดินทางไปทางไหนกันแล้วเราก็จะได้ทำไปตามที่เราวางแผนไว้แต่เราต้องปฏิบัติถ้าเรารอไปปฏิบัติตอนที่เราหยุดทำงานนั้นเราจะไม่รู้ทำอะไรทำไม่เป็นต้องซ้อมก่อนต้องหัดก่อนก่อนที่เราจะไปปฏิบัติเต็มรูปแบบเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติแล้วปฏิบัติได้แล้ว ต้องนั่งสมาธิได้ต้องฝึกสติเป็นต้องคิดทางปัญญาเป็นแล้วทีนี้เราก็จะได้พอถึงเวลาเราก็จะได้ลาออกจากงานไดไปหาที่สงบอยู่คนเดียวไปพิเวกที่ไหนที่สงบที่นั่นน่ะเรียกว่าวัดนะคำว่าวัดนี่ไม่ได้หมายว่าที่มีโบสถ์มีเจดีย์มีพระสงฆ์องค์เจ้า เพราะสมัยนี้ที่ที่มีโบสถ์มีเจดีย์มีพระสงฆ์องค์เจ้ามันไม่สงบมันไม่วิเวกอันนั้นไม่ใช่วัดของพระพุทธเจ้าวัดของพรุทธเจ้าคือที่สง บ, ท, สงบที่สงัดวิเวกโบสถ์เจดีย์จะมีหรือไม่มีไม่สําคัญพระสงฆ์องค์เจ้าจะมีหรือไม่มีไม่สําคัญสําคัญที่ว่ามันสงบหรือไม่มัน <c oughs> พระพุทธเจ้าเวลาตัดสินรูม้มีโบสถ์มีเจดีย์หรืเอเปล่าเวลาปฏิบัติ มีพระสองฆ์องค์เจ้าห้อมล้อมอยู่ว่าเปล่าท่านอยู่ตามลำพังอยู่ใต้โคนต้นโพนี่แหละคือวัดวัดก็คือที่สงบสงัดวิเวกที่เรียกว่ากายวิเวกถ้ากายวิเวกแล้วเดี๋ยวจิตก็จะวิเวกจิตก็จะสงบถ้ากายไม่สงบสิ่งต่างๆรอบรอบกายนี้วุ่นวายมันจะไปกระเทือนใจ ถ้าเราไปนั่งสีแยกไฟแดงนั่งสมาธิดูเนี่ยนั่งยังมันก็ไม่สงบเดี๋ยวเสียงตาเดี๋ยวเสียงกลิ่นควันอะไรมันเข้ามาต้องไปหาที่ที่ไม่มีอะไรมาบรบกวนใจทางตาหูจมกูกลิ้นกายะต้องปีกวิเวกแล้วก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่ปัจจุบันะถ้านั่งก็ให้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธไป แล้วเดี๋ยวใจก็จะทั้งเข้าสู่ความสงบได้สงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่ ด, ดีกว่าความสุขที่เราเคยได้จากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาแล้วเราก็จะมีความสุขใจสบายใจแล้วจะไม่อยากไปหาความสุขแบบเดิมอยากจะหาความสุขแบบนี้ขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญา คอยกำจัดความอยากต่างๆที่จะมาดึงให้ใจไปวุ่นวายให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ช้าก็เร็วได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันได้เห็นทุกอย่างว่าเป็นตายรักหรือไม่น่าดูเห็นคนก็ไม่น่าดูเห็นคนก็เห็นเป็นซากศพไปหรือเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง ความอยากที่จะให้เขามาเป็นแฟนเรามันก็จะไม่มี <Yeah. S 1> ที่มันยังอยากให้เขามาเป็นแฟนเพราะเห็นว่าเขาหน้าดูหน้าชมหน้ารักหน้ากอดหน้าอยู่ใกล้แต่ถ้ามาคิดถึงส่วนที่ไม่น่าดูของเขานี่เราก็อาจจะไม่เอาดีกว่าฉันคิดว่าถ้าเกิดเขาตายไปคืนนี้เรายังอยากจะนอนกับเขาอยู่หรือเปล่าพอเขาไม่มีลมหายใจแล้ว ถึงแม้ยังไม่น่าเกลียดไม่น่าอะไรก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือปัญญาต้องมองมุมกลับอย่าไปมองว่ามุมมุมดีไปมองว่ามุมไม่ดีไม่มีอะไรดีในโลกนี่เป็นของปลอมของหลอกของปรุงแต่งขึ้นมาให้เราหลงไหลคลั่งไคร้ไปเท่นั้นเองถ้ามองถ้ามองภาพรวมแล้วมันจะต้องจบในภาพที่ไม่น่าดูทท้งนั้นอันนี้คือปัญญาแล้วมันจะสามารถ กำจัดความอยากต่างๆที่ที่สติไม่สามารถกำจัดได้ต้องกำจัดด้วยปัญญาพอปัญญากำจัดได้หมดแล้ทีนี้ก็สบายไม่มีอะไรมากวนใจต่อไปไม่มีอะไรมายุ่ย์อยาให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วเรื่องอะไรต้องไปหาอะไรมาเพิ่ม เมื่อความสุขที่เรามีนี้มันเป็นความสุขแบบเต็มร้อยอยู่แล้วหาอะไรมาเพิ่มมันจะล ด, ลดมันจะทําให้ความสุขที่มีอยู่นี้มันลดหายไปไม่ใช่เพิ่มมากขึ้นยิงน่งไม่เอาอะไรดีกว่านี่คือกระบวนการของการศึกษาของการปฏิบัติที่พวกเรามาทํากันตอนนี้เราก็ยังอยู่ขั้นอนุบาลอยู่ขั้นหวนานเมล็ดพืชหวนานเมล็ดข้าวอยู่ไม่ ทำนุบำรุงเลี้ยงข้ า, ขาวด้วยน้ําเลยปล่อยให้มันแห้งตายไปเดือนหน้าก็มาปลูกใหม่ปลูกแป๊บแล้วก็ทิ้งมันไปเอไม่ไม่ทํานุบำรุงด้วยการนําเอามาพิจารณาค่ายควรและปฏิบัติตามกําลังของเราต้องพิจารณาค่ายควรต้องปฏิบัติตามกําลังที่เราสามารถจะทําได้เป็นการทําการบ้านไปก่อน เมื่อทำได้แล้วนีต่อไปก็จะพร้อมเป็นที่จะไปเข้าห้องสอบไปทำข้อสอบได้นี่คือเรื่องของการทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์แบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคร้นพบเนี่ยทำตามแล้วเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไม่ว่าจะยากดีมีจนจะไม่เป็นปัญหา ความสุขนี้ไม่ได้อาศัยร่างกายไม่ได้อาศัยล า, า, าบยศสรรเสริญอาศัยธรรมะคือสติสมาธิและปัญญานี้เท่านั้นอขอให้ท่านจงนำมาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงเพื่อความสิ้นทุกข์ที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวาหาปุราปริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกัรปติอ an ิช e ิตังปฏิชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา ยัณฑูปนาหระโสยทามณิโชตอระโสยทาสัพพิเิโยวิวาจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตปวัตตะวันตราโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโน จตารโหทมาวัฏานติอายุวะโนสุขังภาลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง f a c e b o o สามร y อยห้าสิบ0ูหนึ่งร้อยเก้าสิบวิทยุออนไลน์สาสิบเอ็ดผู้รับฟังบนเขาแปดสิบเก้ารวมทั้งสิ้นหกร้อยหกสิบเอ็ดค่ะก็มีนักศึกษาอยู่ประมาณนี้ต0ร้อยกว่าทุกวันก็พอใช้ได้นะ สอนทุกวันไม่มีวันหยุดการนี้ก็เปิดโอกาสให้นักศึกษามีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ไม่อยากถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ถ้าอยากจะถามเองก็มารับไมโครโฟนไปจะให้พูดทางผ่านทางไมโครโฟนจะได้ยินเสียงทั่วกันทั่วโลกเลยไม่ใช่ทั่วทั่วกัน ในตอนนี้ไปทั่วโลกนะนไปทุกประเทศที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตที่นั่นก็ไปถึงถ้าไม่มีคำถามอะไรก็เอาทางบ้านเก่าค่ะคำถามแรกจากทําไลน์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคำถามที่หนึ่งค่ะ คนที่นั่งสมาธิก่อนเข้าผวังจะต้องสับประหกทุกคนหรือไม่ครับรไม่เนาะคนที่สับประหกคือสติยังมีกําลังไม่มากพอเพราจิตจะเข้าสู่ความสงบสติก็หมดก็เลยเข้าผวังหลับผวังหลับก็คือหมดสติถ้าเป็นผวังสมาธินี่สติยังไม่หมดสติยังมีกําลังอยู่แต่าจะเข้าได้นานไม่นานก็อยู่กําลังของสติ ถ้ามีน้อยก็เข้าไปปุ๊บก็ถอนออกมาถ้ามีมากก็จะเน่งอยู่นานเพราะฉนั้นสตินี้เป็นตัวที่สำคัญมากในการทําจิตให้สงบเะั้นต้องหมั่นฝึกสติให้มากๆฝึกอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งสมาธิถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสตินี่นั่งไม่ได้นั่งแล้วอึดอัดนั่งแล้วอยากจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยากจะไปทํานุ่นทำนี่ขึ้นมา อยากจะเกาบ้างคันบ้างน้ำลายอยากจะกลื่นบ้างอะไรบ้างร้อยแปดเมื่อไม่มีสติคอยควบคุมใจใจมันก็จะอยากเหมือนตอนที่มันไม่ได้นั่งมันก็เลยจะไม่เข้าสู่ความสงบได้ถ้านั่งแล้วไม่ได้ผลแสดงว่าสติยังไม่มีกำลังพอต้องพยายามหัดเจริญสติให้มากๆ อ, อย่างที่พูดเนี่ยทาได้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลย หาช่วงไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานนี้เอามาหยุดความคิดดีกว่าอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยเปยื่อยเพ้อเจอ้อเพ้อฝันไม่ได้ะลรได้แต่อารมณ์คำถามที่สองค่ะจิตสามารถที่จะรวมนอกะวางได้ไหมหรือได้ไหมครับได้ก็ถ้ามีสติไงถ้ามีสติ จิตก็จะต้องเข้าระวังเข้าสู่ความสงบเพราะจิตจะหยุดความคิดต่างๆสติจะหยุดความคิดต่างๆเมื่อสติตหยุดความคิดจิตมันก็จะเข้าตกระวังเข้าสู่ความสงบคำถามจากคุณนัจยาค่ะ ถ้าเวลานั่งสมาธิโดยดูลมหายใจแล้วมีการไปคิดเรื่องงานที่รับผิดชอบอยู่เป็นระยะคุณพยายามหยุดคิดแล้วกลับมาที่ลมหายใจหรือปล่อยให้คิดให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาดีคะถ้าจะคิดก็ไม่ต้องมานั่งสมาธิให้เมื่อยเปล่าเทีนให้มานั่งสมาธิเพื่อหยุดคิด <c oughs> ้าคิดอะไรต้องหยุดทันทีต้องกลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาที่พุทธโธอย่างเดียวถ้าต้องการคิดไม่ต้องมานั่งสมาธิาเพราะนั่งไปก็ไม่สงบอย่างนี้ก็ไปนั่งคิดให้พออยากจะคิดเรื่องอะไรก็คิดให้พอคิดเรียบร้อยแล้วค่อยมานั่งจะดีกว่าคำถามข้อต่อไปจากคุณโนค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้ามีบีดาที่มีทั้งโทสะ โลภะและโมหะแล้วรู้สึกเศร้าใจมีความปรารถนาที่จะให้บิดาหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้พยายามที่จะพูดคุยและดึงให้บิดาปล่อยวางแต่ก็ไม่สำเร็จเลยรู้สึกเศร้าใจขอคำแนะนำชี้ทางจากพระอาจารย์ค่ะ อ, อ๋อเราก็มีโทสะมีโลภะมีโมหะเรามาทำตัวเราให้มันพ้นก่อนเถอน <c oughs> เรื่องของคนอื่นตัวเรายังทาไม่พ้นแล้วจะไปอยากให้คนอื่นก็พ้นทาไม ตัวเราทำให้พ้นให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยไปบอกคนอื่นเา้าพอเราทำแล้วเราจะรู้ว่ามันยากขนาดไหนแล้วเราจะได้ไม่ไปอยากให้คนอื่นเขาพ้นให้เขาพ้นเองให้เขาอยากพ้นเราถึงเขาไปบอกเขาถ้าเ้าไม่อยากอย่าไปอย่าไปบอกให้เสียเวลาเลยต่อให้เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่คำถามข้อต่อไปจากคุณัญญาค่ะลูกชายเสียเมื่อวันที่ยี่บเก้ากรกฎาแกฆ่าตัวตาย และอยากถามว่าจะทําบุญให้ลูกชายอยา่างไรที่จะทําให้เขาได้ไปสู่สุขติคะ่ะปัจจุบันเป็นทุกข์เหลือเกินสงสารลูกเจ้าคะ่ะก็มันก็แล้วแต่ว่าเขาอยู่ในมุมอ่ามุมไหนของของโลกทิพย์เนี่ยถ้าฆ่าตัวตายนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในนรกซะมากกว่าก็จะเป็นที่เราไม่สามารถส่งบุญไปให้เขาได้ ต้องรอให้เขาพ้นพ้นจากนรกออกมาก่อนแล้วมาเป็นเปรตเนี่ยเก็ถึงจะสามารถส่งบุญไปให้เขาได้แต่เราก็ทำไปก็ได้เผื่อเขาไม่ได้ไปนรกก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะาอาจจะมีบุญอย่างอื่นคอยคอยตะ ค, คอยทานบาปที่เขาทำก็ได้ เ, เราไม่รู้ว่าเขาทาบุญมากน้อยบาปมากน้อยเท่าไหร่เฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้เราก็อย่าไปคิดว่าเขาไปที่นู้นที่นี่ คิดว่าเผื่อว่าเขามารอบุญรับบุญเราก็ส่งบุญไปทําบุญตามปกติเนี่ยบุญที่เกิดจากการให้ทานเนี่ยเป็นบุญอันเดียวที่รวดเร็วทันใจเหมือนฟาสต์ฟู้ดบุญอย่างอื่นนี่เหมือนกับต้องไปปลูกข้าวแล้วต้องมารอเอรอให้ข้าวออกรวงแล้วรอต้องมาอมาเก็บเกี่ยวข้าวมาตำข้าวมามา หุงข้าวกว่าจะได้เพะนั้นอย่าไปคิดว่าถ้าอยากจะอุทิศบุญอย่าไปเอาบุญแบบนั่งสมาธิว่ายพระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้ยังเป็นบุญที่ยังไม่เกิดผลที่จะอุทิศให้ใครได้บุญที่เกิดผลทันทีเนี่ยใส่บาตรปุ๊บนี่เกิดบุญขึ้นมาแล้วเบริจาคเงินให้ขอทานก็ได้ก็เกิดบุญขึ้นมาเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา นี่แหละคือบุญที่เราจะอุทิตไปคำถามข้อต่อไปจากทางยู u b e คุณจินขอบค่ะขออนุญาตถามครับอะไรทำให้จิตไปจมอยู่กับอารมณ์ครับก็สันดาลเนนิสัยมันชอบจมอยู่ในสันดาลมันชอบมันเหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยพอมันติดแล้วมันก็มันก็จะมันก็จะติดไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ดึงมันออกมามันก็จะไม่ออกมา คำถามข้อที่สองจากคุณจินขอบค่ะอะไรเป็นเหตุให้ใจขาดความเป็นอุเบกขาครับก็สติไงไม่มีสติหยุดความคิดใจก็คิดคิดก็เกิดความอยากเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาถ้าหยุดคิดปั๊บใจก็จะปราศ จ, จากความรักชังกลัวหลงคำถามต่อไปจากคุณอู๋ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ถ้าผู้อื่นทําให้ชีวิตเราล่มจมเราก็ห้ามโทษผู้อื่นเด้อคะให้มองว่าเป็นอ น, นิจจังไม่เป็นจากไม่เป็นไม่เป็นก็ไม่จากเป็นก็จากตอนตายใช่ไหมคะ อ, อโทษคนอื่นแล้วมันก็เรื่องไม่จบเดี๋ยวก็ไปมีเรื่องกับเขาโทษเราดีกว่าที่มาโง่มาเกิดถ้าเราไม่เกิดมันก็จะไม่ต้องมาเจอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เ อ, อ, องี้นเราจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ถ้าโทษเราโทษความโง่ของเราที่ไปมีความอยากต่างๆแล้วเรามาหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะได้ไม่ต้องมาเกิดเมื่อมาเกิดเราก็จะไม่มีการแก่เจ็บตายไม่มีการพัดภาคจากอะไรนี่เป็นการแก้ปัญหาแบบถึงถึงถึงเหตุถึงคนนะ ไปแก้ไปเหตุมันก็แก้ไม่จบไปตัดกิ่งก้านต้นไม้เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ไปโทษคนนั้นคนนี้อะไปฟ้องร้องกันให้เขาชดใช้ค่าเสียหายที่เขาทาให้เราเสียหายแล้วเดี๋ยวได้เงินมาเดี๋ยวมันก็หมดไปอ่ะมันไม่ต้องมันก็ต้องมีแต่หมดไปเรื่อยๆทุกอย่างในโลกนี้มันไม่อยู่กับเราไปตลอดคําถามข้อต่อไปจากเฟซบุ๊กคุณวริศราค่ะ ฝึกสติขณะใช้ชีวิตอยู่ประจำวันเวลามีอารมณ์หดหูก็ใช้สติเฝ้าดูอารมณ์ที่เกิดพออารมณ์จางก็เข้ามาเฝ้าดูกายว่าเคลื่อนไหวอย่างไรทำแบบนี้เวลาว่างจากหน้าที่การงานถูกไหมเจ้าคะถ้าได้ผลก็ถูกนะถ้าทำให้อารมณ์หายไปได้ก็ถูก คำถามจากคุณบุญเสริมค่ะการพิจารณาการมราคะพระอาจารย์สอนให้ใช้อสุภะแต่ถ้าผมใช้พิจารณาว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นยาเสพติดควรเลิอกอย่างนี้เป็นการพิจารณาถูกต้องไหมครับก็ลองดูเสียว่าใช้ได้หรือปเปล่าคือการปฏิบัตินี้แต่และคนก็ต้องถ้าอยากจะใช้วิธีไหนก็ต้องลองใช้วิธีนั้นดูแล้วดูว่ามันดับการมาราคะได้หรือเปล่า ถ้้้้าดดดับไไใชไ yeah. คําถามจากคุณนกจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าคนทําให้เราช้าใจเราก็เราก็ชังเขาและเราไม่อยากรู้สึกรู้ทุกข์รู้สึกใดๆและไม่อยากยุ่งด้วยอยากจะต่างคนต่างอยู่อย่างนี้จะเป็นบาปไหมคะไม่บาปเราถ้าเราไม่ไปทําร้ายเขา คำถามจากคุณวันวิพาค่ะกาสรสาบแช่งของพ่อแม่จะส่งผลตามคำสาบแช่งถึงลูกหลานหรือเปล่าคะไม่หรอกมั้งถ้าสาบแช่งได้เป็นไปนตามที่สาบแช่งก็วิเศษได้ค่ะคำถามจากคุณปริชาตค่ะหากเราแผ่บุญแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณในสถานที่หนึ่ง เป็นประจำจะเป็นส่วนใหญ่ให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นไปเกิดในภพภูมิใหม่ได้เร็วขึ้นไหมคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะข อ, อการแายเมตตาไม่ได้ไปส่งให้เขาไปภพภูมิใหม่การแายเมตตานี้เป็นเพียงแต่การแสดงความมีมัตรีจิตเขาก็จะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเราจะมาทำร้ายเขาหรืออะไรเขาแต่ส่วนก็จะไปเกิดภพภูมิใหม่นี้อยู่ที่บุญกรรมที่เขาทำว่ามันหมดหรือยัง ถ้ามันหมดกรรมขอเขาก็จะไปคำถามข้อต่อไปจากคุณพีโก้ค่ะเบนพระอาจารย์ขอเล่าความเข้าใจก็รู้ว่าอริยสัจสี่เกิดดับตลอดเวลายกตัวอย่างความอยากหรือความไม่อยากเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นจนสุดท้ายเป็นทุกข์เราก็แก้ไขด้วยปัญญาซึ่งเป็นมรรคทาให้ทำให้ใหเอ่อทำให้ความอยาก หรือความไม่อยากไม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นนิโรธผมเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับอถูกแล้วคำถามจากคุณอนนบค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับการสวดมนต์ในห้องพระที่บ้านคนเดียวเราควรเราควรสวดแบบออกเสียงหรือสวดในใจครับขอโอกาสถามว่าพระอาจารย์สวดมนต์คนเดียวออกเสียงหรือสวดในใจครับ ถ้าสวนใายใจได้ก็จะดีกว่าเพราะมันจะได้ไม่ต้องทำไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนพุโทโธพุโทโธนี่เราก็ไม่ต้องออกเสียงการสวดมนต์ก็เหมือนการใช้พุโทโธแบบเดียวกันหรือก็เหมือนดูลมหายใจเราต้องการหยุดกิจกรรมทางร่างกายเพราะใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าออกเสียงก็แสดงว่ายังใช้ร่างกายอยู่ ก็จะเข้าสู่ความสงบได้ยากกว่าคําถามข้อต่อไปจากคุณพีเจค่ะโยมควรจะเริ่มนั่งสมาธิอย่างไรเวลานั่งแล้วใจฟุ้งซ่านตลอดเจ้าค่ะก็ต้องมีสติก่อนต้องเจริญสติก่อนต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาคอยบังคับให้ใจอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่หรือให้อยู่กับพุโทโธร จะอาบน้ําก็ให้อยู่กับอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่กับเวลาล้างหน้าแปรงฟันอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ yeah. แล้วพอเรามีสติแบบนี้แล้วเวลานั่งเราก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้หมดแล้วหมดค่ะอั yeah. นนี้ก็คือ ปัญหาที่ถามกันทุกวันเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้เข้ามาฟังทุกวันก็มีคนใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยๆกราบและมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคือคุยกับพี่สาวเรื่องพูดถึงพระนะคะทีนี้ คือก็ไปทําบุญวัดทางเมืองนนประจาําทีนี้โยงก็พอเอ๊หลวงพ่อที่องคนี้ท่านมรณภาพาไปแล้วแล้วเห็นเขาบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์พี่สาวบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นเพราะว่าเรารู้หรือไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นไม่เป็นถ้าพูดถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะตกนรกอันนี้เราจะบาป ถ, ถึงขั้นนั้นเลยเหรือคะอ๋อไม่ถึงหรอกการพูดไปในสิ่งที่เราไม่รู้มันก็อาจจะสร้างความคุยเขวื จะสร้างความสับสนให้กับผู้อื่นก็ได้ถ้าเราไม่รู้จริงถ้าเราไม่รู้ว่าจริงเราก็อย่าไปพูดดีกว่าสาธุค่ะคำถามจากคุณสุวิทย์ค่ะ กรับนมรการพระอาจารย์ครับผมได้ไปเรี่ยายทําบุญทอดกระถินกับเพื่อนๆทุกคนก็ร่วมกันทำบุญตามกำลังแต่มีคนหนึ่งบอกว่าเขาไม่ทำทำไม่ได้ทำแล้วมีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตขอถามว่าแบบนี้มีด้วยหรือครับก็ตามความเข้าใจของเขาบางทีเขาก็จับแพทย์มาชนแกะแต่เขาเชื่ออย่างนั้นก็ไปปฏิเสธไม่ได้เขาเชื่ออย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาไป ความเชื่อนี้อาจจะตรงกับความจริงก็ได้อาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้งั้นถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราก็เราก็อย่าไปกังวลอย่าไปสนใจถ้าเราไม่สามารถที่จะแสดงเหตุแสดงผลให้เขาฟังได้ว่าทาบุญมีแต่ผลดีในผลที่ไม่ดีนี่มันอาจจะเกิดจากเหตุการณ์รอบด้านหรือเหตุหรือกเกิดจากกรรมเก่าที่เราทามาก็ได้ ยาบางทีเขาไปจับแพะชนแกะหรือมันอาจจะเป็นความตนหนีของเขาก็ได้เขาไม่รู้จะอ้างเหตุผลยังไงเขาก็เลยต้องสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอเขากำลังจะคิดเอาเงินไปซื้อรองเท้ากระเป๋าอยู่พอดี <c oughs> <c oughs> จะไปบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปซื้อรองเท้ากระเป๋ามันก็ไม่ดีนั้นคนเราเวลาพูดอะไรมันมีเล่มีกลมีอะไรหลายรูปแบบด้วยกัน นันอย่าไปจริงจงจังๆอะไรกับคาพูดของเขาเลยถ้ามันไม่มีกฎไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีเหตุไม่มีผลก็อ่ะนี่แหละเป็นวิธีอุบายของเขาที่เขาจะพูดเพื่อี่แรกไม่ต้องทำอะไรที่เขาถูกขอให้ทำความจริงการเรียลายนี้มันไม่ไ ม, ไม่ควรนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับไปบีบบังคับเขาบอกบุญได้แต่อย่าเรียลาย เช่นบอกว่าปีนี้จะไปธากระถินที่นั่นเอใครอยากจะร่วมบุญก็เชิญนะแต่ใครไม่ร่วมบุญก็ไม่เป็นไรนะอะไม่ไม่อยากกังวลอย่ายื่นซองไว้เขาเหมือนยื่นซองนี่เหมือนยื่นปืนเขา้ามารู้เป่า<อ>จี้เขาเลยไปไปไปจี้เนี่ยพอเห็นซองนี่เขาจะเป็นลมเลยเพราะมันไม่ใช่ที่เดียวปีนี้ไม่รู้มากี่ซองก็ไม่รู้นะ อันนี้ไม่ถูกไม่ควรทำอย่างนั้นาการทําบุญต้องให้เป็นตามศรัทธาตามความยินดีตามความพอใจอบอกได้บอกให้รู้ได้ว่าจะมีการทําบุญที่ถ้าอยากจะร่วมก็ขออนุโมทนาถ้าไม่ร่วมก็ไม่ไม่เป็นไม่เสียหายอะไรเข้าใจาเวลาบางทีภาะวะการเงินการทองมันอาจจะฝื่อยเฟืองก็ไดอ้อาจจะไม่สามารถทํา ได้ในช่วงนี้ก็ข อ, เ, อเลื่อนไปก่อนขอเลื่อนบางทีปีหน้าเศรษฐกิจดีขึ้นรายได้ดีขึ้นปีนี้ขาดทุนก็เลยไม่มีเงินมาทําบุญแต่บางทีคนเขาก็ไม่อยากจะพูดความจริงเขาไม่อยากจะออายขายหน้าเขาก็อาจจะต้องหาวิธีพูดอย่า ง, างนั้นอย่างนี้ไปเราก็อย่าไปรบกวนเขาจะดีกว่า งนอย่าอย่าเรียรายนีอย่างเรานี่เราถือหลักนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยคิดจะเรียรายใครแต่ก็สามารถออกอุบายได้พูดเป็นออาอุบายเล่าให้ฟังไงว่าหลังคานี้มันด้วยไม่รู้จะทำยังไงเอาพูดแค่นี้แหละแล้วคนที่เขาอยากจะทำบุญเขาก็ เขาก็จะมาทำให้ถ้า <Okay. S 1> เขาฟังแล้วไม่เข้าใจอ้าวรั่วเขารั่ว <laughs> ก็แล้วไปอย่างน้อยเขาก็ไม่เสียหน้า <laughs> เขาก็ไม่ถูกบีบบังคับเะฉะนั้นการทำบุญนี้ให้ออกมาจากใจดีกว่านะกระทั่งบางทีออกมาจากใจเราก็ปฏิเสธมีคนมาขอซ่อมหลังนี้อยู่เรื่อยเนี่ยก็ oh, <my> เรากเก็บไว้เถอนี่เป็นโลโก้ของที่นี่ถ้าม <laughs> <laughs> ่มีหลังนี้ก็ถือว่าหมดแล้ว ธรรมบบนเขาจบแล้วมีคำถามไหมมีค่ะคำถามจากคุณวันมิพาค่ะการปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆจนเกิดมรรคผลจะช่วยลบล้างกรรมไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาได้บ้างหรือไม่ครับอ๋อมันจะทำให้เราหนีหนีกรรมในอดีตได้แต่ลบล้างไม่ได้ ถ้าเราไม่มาเกิดกรรมในอดีตมันก็ไม่สามารถส่งผลกับเราได้แต่ถ้าเรายังก ร, รมมาเกิดอยู่กรรมในอดีตก็ยังจะมีส่งผลได้แต่ถ้าเรามีมรรคผลเราก็จะมีเหมือนเกาะคุ้มกันใจเราใจเราจะไม่กระเทือนกับกับวิบากกรรมต่างๆแต่ร่างกายอาจจะต้องรับบ้างเหมือนพระพุทธเจ้าก็ยังต้องรับพระโลหิตพระบาทท่อเลือดเนี่ พอเลือดเพราะว่าร่างกายมันก็เป็นเหมือนนั่งกายของคนทุกคนเมื่อโดนสะเก็ดหินเข้ามันก็ต้องห่อเลือดขึ้นมาเป็นธรรมดาแต่ใจของพระ อ, องค์นี้ไม่มีความรู้สึกอะไรเป็นอุเบกขาตลอดเวลาสักแต่ว่ารู้เพราะอำนาจของมรรคผลที่ได้ทรงปฏิบัติมาถ้าเป็นปุถุชนอย่างพวกเรานี้พอเจอสะเก็ดหน่อยก็ร้องโวยวายละดีไม่ดีก็เกิดความโกรธการมาฆ่าพยาบาท จองล่างจองผ่านกันขึ้นมาแต่สำหรับผู้มีมากมีผลนี่จะมีมีมากมีน้อยต่างกำลังของมากผลคำถามพ่อต่อไปจากทาง YouTube ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการถือเนสัตชิกไม่นอนตลอดทั้งคืนช่วงกลางวันก็ไม่ควรนอนด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าไม่บังคับก็แล้วแต่เราจะตั้งกฎ ตัวเราเองอย่าในศัตว์ชิตกี่ชั่วโมง6กชั่วโมงสิบชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงแล้วแต่คําถามข้อต่อไปจากคุณธีรชาติค่ะนักบวชที่ไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธแต่ดําเนินแนวทางต่างมรรคแปจะมีโอกาสบรรลุธรรมไหมครับมีก็เหมือนกันไงมันไม่ได้อยู่ที่คําว่าพุทธหรือไม่พุทธพุทธเยอะแยะมาเห็นไปถึงไหนกันเลี่ย พวกที่ไม่พุทธนี่เข้าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยพวกที่มาข้ามน้ําข้ามทะเลมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้พุทธกันเนะ่พวกนี้ก็มาจากศาสนาอื่นทั้งนั้นแต่เขากลับมาไปไกลกับพวกที่เป็นพุทธเนี่ยเขาบวชได้เราบวชได้เปล่าเราเป็นพุทธแท้ๆออกมาเกิดในเมืองพุทธครอบครัวก็เป็นพุทธแตยังบวชไม่ได้เลย เอา น, นี้เกิดในครอบครัวที่ไม่เป็นพุทธเนี่ยแต่เขาุต่าบินบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อมาบวชเพื่อมาปฏิบัติมากแปดคำถามจากคุณสมน์ค่ะถ้าเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วและถ้าอุทิศให้กับคนตายเขาจะได้รับไหมคะก็อย่างที่บอกว่าเรายังมันมันยังปลูกข้าวอยู่อ่ะมันยังเป็นยังไม่ยังไม่ได้ออกดอกออกผลยัน อย่าไปรออุทิศบุญจากการนั่งสมาธิของเราเลยถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ทำบุญใส่บาทหรืบอบริจาคเงินให้โรงพยาบาลโรงเรียนหรือให้ที่ไหนก็ได้ก็จะเกิดบุญขึ้นมาทันทีแล้วบุญนั้นอุทิศได้ทันทีเ้าเรียกฟาดพุชไงไปที่อยากกินข้าวผัดก็ไปที่ร้านขายข้าวผัดดีกว่าอย่าไปปลูกข้าวเอง <c oughs> กว่าจะได้ข้าวผัดอีกหลายปี คำถามจากคุณแพทย์ค่ะการใส่บาตรหากเราอุทิศให้เจ้าเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตจะได้ไหมคะเพราะเขาอยู่ไกลค่ะอ๋อไม่ได้ถ้าอยากจะอุทิศให้กับคนที่มีชีวิตเราก็โอนเงินไปให้เขาเลยเงินที่เราจะใส่บาตรเนี่ย <S <S 2> <S 2> อัอนนี้วันนี้ขอทําบุญกับคุณหน่อยออทําบุญกับเขาเดี๋ยวเขาก็หายโกรธใช่ไหมสมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวความโกรธเขาก็หาย คำถามข้อต่อไปจากคุณโนกค่ะถ้าใครๆว่าเราไม่ดีแล้วถ้าคนไม่ดีเข้าวัดทําบุญเขาคนนั้นจะได้บุญจากการตั้งใจตั้งจิตเข้าวัดไหมคะได้จะดีไม่ดีมันไม่ดีอยู่ที่ดีไม่ดีอยู่ที่ทําหรือไม่ทํำดีที่ดีแล้วไม่ทําก็ไม่ได้บุญไม่ดีแต่ได้แต่ทำก็จะได้บุญมันอยู่ที่การกระทําแต่ตามธรรมดาแล้วคนไม่ดีมักจะไม่ทําบุญ มีแต่คนดีที่ก็จะทำบุญหมดแล้วเนี่ยโอเคหมดแล้วก็คิดว่าพอละ ว, วันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ